มืดแล้วเมือ่อไหรจะพักสักทีล่ะเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวหัวหน้าก็สางพักเองมาละทําไมเราจะต้องมาฟังคําสั่งพวกข้าด้วยกันซ้ายังยกเจ้าให้เขาเป็นหัวหน้าอีกด้วยทําไมเราไม่เป็นหัวหน้าเราเองฮะทาอะไรตามใจชอบบ้างเรายุ่ยากจะพักก็ไม่ได้พักต้องรอฟังคําสั่งมันจะมากไปหน่อยนะหรือว่าะหายก็ไม่ได้มีการมาทำอะไรเนี่ยพวกเรายกเจ้าให้เขาเป็นหัวหน้าเองจะหาเขา้าท่านไม่ชอบ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 เอ๊ะนั่นใครขี่มาตามมาน่ะน่ะฮะหรือว่าเป็นพวกโจรเราส่งสัญญาณให้พวกเราข้างหน้ารู้ดีกว่าอย่าเพิ่งอย่เพิ่งอย่าเพิ่ง อ, อ, อย่าเพิ่งทำอ่ะจะให้พวกโจรต้อนกลอนหรือไงเห็นจะไม่ใช่พวกโจร น, นะถ้าเป็นโจรคงเพ่มากันแค่สองคนหรอกนะมันอาจจะมาดูราดเราก็ได้ถ้ามาดูราดเราจริงเห็นพวเรามีมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็กลัวแล้วอะเข้ามาใต้แล้วท่านพ่อค้าข้าพเจ้ามีข่าวร้ายจะมาบอกฮะ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 เกือบอะไรเหรอถ้าหยุดพักซะตรงนี้เนี่ยก็มีหวังเจอพวกโจน เ, เลยข้าพเจ้าไม่ควรใจร้อนเลยเออแล้วที่จะทำยังไงก็รีบส่งข่าวให้หัวหน้ารู้สิหัวหน้ารู้แล้ว สั่งให้เด้เดินทางต่อไปน่าขอบใจสองคนนั่นอุตส่าห์มาบอกให้รู้เขาว่าโจรแถวเนี่ยดูซะด้วยสิมันจับได้แล้วก็เป็นต้องฆ่าใจมันโหดเหี้ยามอามหิตนะนะดีที่เรารู้ตัวซะ ก, ก่อนไม่ตั้งค่ายพักเอ๊ะมีมาวิ่งตามไมา่สามตัวพวกไหนอีกอะท่านระธท่านระธมีอะไรเหรอข้าเจ้ามาดมมวบ้าตะค้ ระหว่างทางเราสามคนพบวกจรมากมายพวกท่านรีบเดินทางต่อไปอย่าหยุดค้างคืนในน่งนี่เป็นอันขานนะฮะพวกท่านเห็นพวกโจรเหรอเห็นสิแล้วนี่มับอกกันเราและพวกมันมีแย่ไหมโอ้ยเยอะแยะเลยดูมันจะมากกว่าพวกฝั่งเศสนะแต่ไม่เป็นไรหรอถ้าพวกท่านเดินทางต่อไปพวกโจรอาจจะตามทานในทันข้าพเจ้าบอกท่านในความหวังดีนะ้เนี่ยฮะข้าเจ้าอไมาล่ะฮุยฮุยข้าพเข้าไปให้โกลารู้คิดคิดดก็แปลกนะ อะไรแปลกเหรอก็ที่มีคนมาบอกคุณเหมือนกันนะซสองคนแรกก็พูดอย่างเนี้สามคนนี้ก็พูดอย่างเดียวกันอีกอ่ะรากับว่าท่องจํากันมาอย่างนั้นอ่ะแม่มันน่าสงสัยจริงๆนะอย่าสงสัยอายหน่อยเลยนะเขามาบอกก็ได้ความหวังดีคนเห็นเหตุการณ์อย่างเดียวกันก็ต้องพูดอย่างเดียวกันนี่แหละรีบให้คนไปส่งข่าวัวหน้าแล้วเถอะไปข้าพรเจ้าจะให้คนไปส่งข่าววหน้าเดี๋ยวนี้ ไม่าแผนทุกอย่าง <c oughs> พวกพวกข้าไม่ยอมหยุดพักแล้วจะเอาอยัางไงอะห่วนะอทำตามแผนขันต่อไปมันก็ เ, เอาเลยพี่ชา้าติทำไมเล่า <c oughs> เฮ้ยลงมา เราคือกระหอบมาหนีน so oh, ่ะให้เขาป้อนช่วยป้อนเนี่การการเราสู้ใหญ่แล้วโดนเข้าปอนแล้วเร็วไปช่วยกันให้หนูมาอดีกวาไปดดีกากต่ เราก็ชนะน<ฮ>้อตายจํานวนมากที่หนีไม่ได้เจม้มีแต่ก็ชั่งมัน <Okay. S 1> เรายึดเสินขาดพวกมันไม่ได้เป็นจำนวนมากค<ฮ>ราวนี้จะสบายไปอีกนานนะ<ฮ><ฮ>หายทั้งหลาย<ฮ>ทั้งนี้ให้ชนะอันงดงามที่ได้รับคราวนี้เราได้มาด้วยอำ น, นาจของเจ้าแม่กาลีเราก่อนที่จะเคลื่อนพลออกจากค่ายเราได้บนบานเจ้าแม่ไว้ว่า ถ้าประสบไถ่ชนะจะสังวยเจ้าแม่ได้ลอยหิตจากลำคอหัวหนา้าพ่อค้าบัดนี้เราได้ไถ่ชนะสมปรารถนาแล้วเราจะต้องแก้บนเจ้าแม่เฮ้ยเจ้าสองคนนั่น<ะ>ไปนําหัวหน้าพ่อข้ามาที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวได้ดูการสังวยเจ้าแม่กาลีกันบ้าง<อ>เธ อ, อยังไม่เคยเห็นใช่ไหมเรวัตต์เข้ามาเจ้ายังไม่เคยเห็นตลอดเวลาที่เธออยู่ที่เนี่ยังไม่มีการสังวยกันเลย มันจะมีนี่แหละแต่ก่อนหน้าที่เธอจะมาอยู่มีการสำรวจเป็นประจำเธอคิดว่าจะดูได้ไหมทําไมจะดูไม่ได้เรื่องฆ่ากันตายข้าพเจ้าก็เห็นมากมากตั ม, มากแหละจนรู้สึกชาชินเห็นไปนของธรรมดาใจเธอแข็งแกร่งมากนะเดวัดตตาดูรูปจะแม่กาลีนะสิรู้ไหมว่าปางอะไรแต่ข้าพเจ้าทายไม่ผิดเห็นทีจะเป็นปางกระหายเลือดถูกแล้วเยินแยกเที่ยวอยู่บนแท่ง ท่าทางกำลังโกรธมากทปเดียบรอบแทนของเจ้าแม่เห็นหรือเปล่าว่าอะไรหลกคนทําเป็นสังวันนั่นหัวหน้าพ่อค้าถูกนำตัวมาแล้วเขาท่าทางเต้ามองแน่ละคนรู้ตัวว่าจะต้องตายเอ๊ะหัวหน้าพ่อค้าคนนั้นดูเหมือนว่าจะเคยเห็นหน้ามาก่อน เธอพูดอะไรนะเรวต์ฉันได้ยินแววหัวหน้าพ่อค้าคนนั้นเธอเคยเห็นหน้ามาก่อนใช่ไหมถูกแล้วท่านโกริตหัวหน้าพ่อค้าคนนี้ดูเหมือนข้าพเจ้าจะเคยเห็นหน้าและนึกออกหรือยังเราว่าเคยเห็นมาก่อนจริงหรือเปล่าและเขาเป็นใครข้าพเจ้าเห็นหน้าไม่ถนัดเลยตรงนั้นมืดสลัวไปหน่อยถ้าไฟสว่างก่อนนี้อีกสักนิดนึงก็จะดีก็ไม่ยากอะไรนี่เฮ้ยเจ้าคนนั้นอะเอาเนยแล้วลากไปในกองไฟสิ ข้าพระเจ้าจะปฏิบัติตามคำท่านโกลิศเดี๋ยวนี้เอาละเนยเหลวถูกด่าลงมาในกองไฟแล้วเหลวไฟลุกโชษช่วงคราวนี้เธอคงเห็นหน้าเฉลยผู้เคราะร้ายถนัดหรอกนะเรวตัตตเห็นถนัดกว่าเก่าจริงๆแต่ขอเข้าไปดูให้ใกล้กว่านี้สักนิดจะได้ไหมเข้าไปสิเรวตัตตเข้าไปอย่างสงบอย่าเอะอะโวยวายฉันจะเข้าไปกับเธอด้วยมีอะไรจะได้เตือนกัน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 ังคาลักษข้าพดีแห่งกรุงสาวัตถีที่เคยไปอาศัยอยู่นักม่ถึงเลยว่าจะเป็นท่านเพราะเราเราแท้แท้มีส่วนวางแผนการป้นผู้มีพระคุณการกระทําของเราเป็นที่น่าเสียใจอีกไม่ช้าแล้วสินะท่านก็จะถูกเชื้อคอเพื่อเอาเลือดบุชาเจ้าแม่กาลีโอจะทนดูไหวแล้วเนี่ยท่านจะถูกฆ่าอย่างคารุนต่อหน้าต่อตา นั่นจะโจรผู้ประกอบพิธีถือดา<พ>บคมกริบเข้าไปหาท่านสุมนคละแล้วพิธีก็มันจะเริ่มแล้วจะทำย่างไงดีน่ะเรวัตตาเธอเป็นอะไรไปรู้สึกว่ามีความประวนกระวายอย่างหนักทีเดียวอถูกแล้วท่านโกริศข้าพเจ้าประวนกระ ว, ะวายใจจนแทบจะทนต่อไปไม่ไหวนะ่ะข้าพเจ้าจะต้องช่วยก็จะช่วยใครเรวัตะาข้าพเจ้าจะต้องช่วยผู้มีพระคุณข้าพเจ้าต้องช่วยนางลองไรวัตตา พิธีจะเริ่มแล้วอาทาความประรับหัวหน้าทําไหมข้าแต่คนหน้าโจรผู้เจริญนั่งลงเรวัตตะเขาเเจ้าขอวิงวอนท่านผู้เป็นหัวหน้าขอได้โปรดสั่งระงับพิธีกรรมนี้ไว้เจ้าคราวก่อนเรวัตตะอย่ามังเล้ยว่าไหวกันบอกว่าให้นั่งลงท่านหัวหน้าเขาเปเจ้าไม่สามารถทนดูหัวหน้าพ่อค้าต้องถูกจับเชือดคอต่อหน้าต่อตาได้ขอจงตรวระงับซะจะทำไหมเรวัตตะต้อหัวหน้าพ่อค้าผู้นี้ คือท่านสุมังคละขาบดีแห่งกรุงสาวัตถีผูกเขามีพระคุณอย่างสูงแก่ข้าพเจ้าเรวัตตะเรวัตตะช่วยแล้วด้วยข้าพเจ้าช่วยท่านผู้มีพระคุณแน่จะอยู่ในความสงบไปก่อนท่านหัวหน้าผู้เจริญจงโปรดระงับพิธีนี้เถิดระงับไม่ได้เจ้าแม่กาลิจฉ์พี่ลูกถ้าท่านหัวหน้าไม่สามารถระงับพิธีนี้ได้ก็ขอได้โปรดค่าข้าพเจ้าบูชาเจ้าแม่แทนท่านสุมังคละคาบดีด้วย ขระพเจ้ายินดีสละชีวิตเพื่อท่านภูมิพระคุณคนนี้เรวตตับเจ้าจะทําลายพิธีสําคัญของเราสลา้วความจําเป็นหัวหน้าหรเมื่อข้าพเจ้าทําผิดข้าพเจ้าก็ยินดีรับโทษผิดนั้นสุดแท้แต่ท่านจะเห็นสมควรถ้าเจ้าพูดกันแล้วเจ้าทําผิดมากทีเดียวเรวตตับแต่เอาเถอะเรื่องของเจ้าก็เป็นเรื่องที่นาเห็นใจยอยู่เหมือนกันเพื่อเห็นแก่เจ้าเราจะระงับพิธีนี้ไว้ก่อน หัวหน้าเป็นความจริงเหรอเนี่ยเราเป็นหัวหน้าพูดอะไรแล้วต้องเป็นคำนั้นเจ้าเป็นคนรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเราก็รู้จักบุญคุณของเจ้าเหมือนกันเพราะเจ้าได้ช่วยเหลือเรามามากเราจะให้อภัยแก่เจ้าครั้งหนึ่งรวมทั้งเจ้าหัวหน้าพ่อค้านนนดุลเป็นพระคุณอย่างสูงสาหรับข้าพเจ้าอันความกรุณาของท่านนี้ข้าพเจ้าจะจารึไวในส่วนลึกของหัวใจ จะจดจำไว้ไม่ดีวันลืมเฮ้ย <Hey. S 1> แต่มัดทันกรหาว่าดีแต่มั oh. เริวตั์เราเป็นอิสระแล้วข้าพเจ้าดีใจด้วยไม่นึกเลยว่าจะพบเจ้าในกลางดงกลางป่าเชน่นนี้ถ้าไม่พบเจ้าป่านี้พ่อมะเป็นศบไปแล้ว ตั้งมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่และมาได้อย่างไงทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายปาฏิหาริย์เหลือเกินพ่องงงงต่อเหตุการณ์ไปหมดแล้วเจ้าช่วยให้ความเข้าใจแก่พ่อหน่อยเถอเระรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่ความฝันเท่านั้นใช่ไหมเรวัตต์ักไม่ใช่ความฝันแล้วทั้งหมดนี้เป็นความจริงถ้าอย่างนั้นเจ้าเล่าความจริงทั้งหมดให้พ่อฟังหน่อยเถิดเรื่องราวาเป็นมาอย่างไงเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ข้าพระเจ้าจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ ที่ข้าพเจ้าออกจากบ้านมานั้นไม่มีสาเหตุอะไรเอก่จะออกมาตามหาบิดามารดาเท่านั้นเรื่องอยากออกมาตามหาบิดามารดาแค่นี้งทีนี้ก็เลยต้องหันเหกลายเป็นจนุดไม่น่าเลยข้าพเจ้าต้องขออาภายัยออกจากบ้านมาไม่ได้บอกให้ท่านรู้เบรยวัตตะเอพ่อยินดีให้อาภัยทุกอย่างในการกระทาของเจ้ากลับไปอยู่กับพ่ออีกเอะพ่อจะให้ทรัพย์สมบัติ และความสุขแก่เจ้ายังเพียงพอเจ้าจะมีความสุขกิงกว่าเป็นโจรก้นสะดมเขาไปอยู่กับพ่อเถอะนะเรวัตต์ข้าพระเจ้าไปอยู่กับท่านไม่ได้ทําไมล่ะเรวัตต์ข้าพรเจ้าเป็นคนชั่วไปนะข้าพรเจ้าเป็นผู้สกปรกทั้งกายและใจไม่สมควรจะอยู่ร่วมสังคมกับผู้ดีอย่างท่านทําไมพูดอย่างนั้นล่ะเรวตต์ความจริงเป็นอย่างนั้นข้าพระเจ้าเป็นโจรก้นคนมามากต่อมา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 ข้าพเจ้าทำผิดแล้วจะไม่รับโทษผิดได้ยังไงได้สิพ่อทำได้ทำยังไงพอจะทูลขอพระเจ้าทานอภัยโทษจากพระเจ้าปัดเสษที่โกสุไม่ให้เจ้าได้รับโทษทันใดไดครั้งสิ้นเชื่อพ่อเถอะพ่อทำได้นะเรวตัตยะะเลยท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยนันเป็นการไม่ดีรู้ถึงหูคนอื่นจะตําหนิท่านได้ว่าช่วยเหลือคนทําผิดเจ้าอยากเป็นโจรอย่างนี้ตลอดไปหลือ ใจจริงแนละ้วข้าพเจ้าไม่อยากเป็นโจรอยากจะละทิ้งไปซให้ไกลแล้วทําไมเจ้าไม่ยอมทําตามที่พ่อบอกละ่ะนั่นเป็นเพราะข้าพเจ้าอรับผ่านมากไม่อยากให้ท่านต้องเสียชื่อเพราะข้าพเจ้าแต่พ่อยอมส่วนข้าพเจ้ายอมไม่ได้ไอ้วตาเห็นทีจะต้องขอขัดจังหวะหน่อยละ่ะมีอะไรเดีวท่านโกริมีคําสั่งของหัวหน้าเป็นการกล่าวโทษเถิด าหน้ากล่าวโทษอะไรขราพรเจ้าบอกว่าการกระทำของเธอที่แล้วมานั้นเป็นการกระทำที่ผิดอย่างมากแต่ข้าหน้าก็บอกยกโทษให้แล้วนั่นก็ถูกแต่หัวหน้ากับลูกน้องสำคัญได้ปรึกษากันเมื่อกี้นี้ซึ่งฉันก็อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยได้มีการลงความเห็นของส่วนข้างมากว่าที่เธอทำไปแล้วนั้นผิดเมื่อผิดเธอจะทับยังไงเขาให้เธอแก้ตัวแก้ตัวอะไรเธอจะต้องหาคนอื่นมาแทนให้ไนดะ้ เพื่อเชื่อดขอแก้บนเจ้าแม่กาลีถ้าหาขามาแทนไม่ได้ในวันพรุ่งนี้เย็นเธอก็จะต้องต้องอะไรถูกเชื้อทอ ใหม่กําลังย่างเขม่าฝูงสัตว์ป่าคนาดต่าง ส, งส่งเสียงร้องระงมไปเว้นจะประกาศเตือนให้กันและกันเตรียมออกหากิจประชาของป่าใหญ่กําลังเต็มไปได้วยความตื่นมีความสดชื่นแต่ว่าหัวใจของสุ멍กับค่อนเหวี่ยวเป็นทุก อ, อ, อ่อนเสียทั้งกายและใจ<ว>เป็นเพระนอนในหลับต<ว>อดคืน มันเสียงดูเบาเรอถ้าไม่คิดถึงบา้านคิดถึงลูกเมียที่อยู่ทางตรุงสวัสดีถ้าเขาเรานั้นรู้ว่าเราถูกกดและถูกจับมักไม่ได้ปะเขาเ่าจะรู้สึกยังไงเสียงชะนีร้องโหยโหวยทำให้คิดถึงชายเสนลูกชายค น, น, นเดียวต่าเสียดส่คนคนนี้กนไไม่ได้บห น, น้ากันดีกว่ จะเป็นตายร้ายดีประการใดก็ไม่รู้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 ต้นไม้ริมทางเพื่อมองเห็นคนเดินทางไปไกลแต่นี่คอยตั้งแต่เช้าจนเที่ยงยังไม่เห็นมีใครผ่านมาสักคนพระอาทิตย์เดิ่มบ่ายคล้อยลงไปตามลําดับก็<ๆ>ここยังไม่มีใครผ่านมาเลยชักระวนกระวายใจซะแล้วสิเราถ้าไม่ได้คนไปแทนเราจะต้องกลับไปให้พวกโจรมันเชื่อคอบูชาเจ้าแม่กาลีมันน่าสยดสยองน่ากลัวจริงจริง รู้ว่าจะหนีเอาตัวรอดตอนนี้ก็หนีไปได้อย่างสบายทีเดียวแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นท่านข้าพดีผู้มีพระคุณต้องอยู่ในมือพวกมันจะต้องถูกจับเทียดมค อ, อไม่ได้จะทรยศต่อผู้มีพระคุณอย่างนั้นไม่ได้เด็กขาดเมื่อหาใครไม่ได้ก็จะกลับไปตายแทนท่าน ทิจจูนจะลับยอดไม้แล้วความหวังว่าจะพบใครสักคนนึ่งเกลือแห้งหายไปเห็นที่จะต้องตายนแน่ๆวันนี้โอ้นั่นคนกำลังเดินดุ่มๆ ม, มาตามทางคนเดียวโอ้รอตายแล้วพบเยือกที่จะไปให้เชือกคอแล้วเอาละ่ะค่อยลงจากต้นไม้ไปยืนแอบคอยอยู่ข้างหลังเดินมาถึงจะจับตัวไว้เลยเดี๋ยวปวดฉัหดหวังซะแล้วสิ กับโชคไม่ยังไม่คาดคิดตอนวินาทีสุดท้ายกะด้วย ข้าทางจะไม่ใช่นคนธรรมดาสามัญสิสะโลนผอมผ้าย้อม น, น้ําฝาดสีดําำําสะภายบาตลักษณะบอกว่าเป็นนักบวชในาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งมีอะไรที่บอกให้หยุดท่านจะไปไหนอ่ะเขาพระเจ้าจะไปกรุงสาวัตถีท่านเดินทางมาในป่าคนเดียวไม่กลัวนะ่ะเขาพระเจ้าจะต้องกลัวอะไรก็กลัวยนี่ไง <c oughs> ด่าขมเก็ดใช่ไนหะข้าพระเจ้าไม่กลัว แปลกมากท่านเราจะกล้าหานเกินไปซะแล้วอย่าพูดโอหังนักเลยนะดาวข้าพเจ้าไม่เคยตานนีใครนะถ้าท่านตายลูกเมียท่านจะลําบากข้าพเจ้าเป็นอนาคาฤทิ์ไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีลูกไม่มีเมียเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่มีอะไรเป็นห่วงแม้แต่ชีวิตข้าพเจ้าก็ไม่ห่วงถ้าท่านต้องการจะฆ่าข้าพเจ้า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 ใช่เลยกําหนดที่ให้ไว้แล้วแล้วจะทํายังไงหูวหนะ้แล้วเจ้าคิดว่าควรจะทํายังไงล่ะควาเข้าใจของข้าพเจ้าเจ้าเ ร, รวัตตาคงจะหลบนีไปแล้วใครจะอยู่รอดรับความตายให้โง่จริงไหมหัวนะ้าที่เจ้าโทรมาก็ไม่ผิดเมื่อเจ้าเ ร, รวัตตามันหนีไปแล้ว บ, บอกมาด้วยว่อโวนจะทํายังไงต่อไปก็เอาเจ้าพวกข้าคนนั้นเนี่ยมาเชือดคอบูชายันสิให้โวนจะเป็นอย่างนั้น ไปเอาไอ้พ่อข้าคนนั้นมาเดี๋ยวก่อนหัวหน้าไมีอะไรอีกล่ะกอลิดข้าพเจ้าว่าอย่าเพิ่งทําอะไรพ่อค้าคนนั้นควรจะรอโดยอีกสักพักหนึ่งเรว่าตาอาจจะกำลังเดินทางมาแล้วก็ได้ยังจะหลงว่ามันจะกลับมาอีกเหรอปานนี้มันนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจ้ารู้ได้ยังไงว่าเรว่าตาหนีไปแล้วถ้าไม่หนีทําไมปานนี้มันยังไม่มาการหาเหยื่อสักคนไม่ได้ของง่ายแต่ก็คิดว่าไม่ยากจนเกินไปยังไง ถ้าคิดจะกลับป่านี้ก็คงต้องกลับมาแล้วแต่นี่มืดแล้วนะเลยเวลาไปนานละเชื่อเถอะเจ้าเรวัตตานี่ต้องหนีไปแล้วแน่เลยข้าพเจ้าเรวัตตาต่อบมาแล้วนะนเรวัตต า, า, าเรวตัตตะเจ้ากลับมาทันเวลาพอดีไงเจ้าบอกว่าเรวตัตตะหนีไปได้ไงละ่ะ แ, แล้วนี่ใครเมื่อเรวัตตะมาข้าพเจ้าก็ดีใจ และของอภัยด้วยเรยวัต ะ, จะ เ, เ, เ, เจ้าได้เฉลยมาหรือเปล่าเขาบอกเจ้าได้เฉลยมาแล้วนะเอาไมา้ดใูใกล้ๆเห็นหน้าเขาชัดหน่อยดิ อ, อะเข้าไป ใ, ใกล้ๆขนหน้านี่คือเฉลยที่จะทําทการบูชายัญเฉลยคนใหม่ของเจ้าดูเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ